ปังธรรมกันนะปังธรรมจากพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ได้รับความสดวกจากสัทธาญาโจมสางวัดให้จูสา้างเสนาสนะให้จูมีเครื่องนุ่งห่ม มหามาย ใ, ให้อาหารการกอบสอนให้ย่ารักษาโลกพระสงฆ์ไม่ทํามาหาจินไม่ผวองเรื่องอาหารการจินชาวบ้านคิดให้ทำให้เราสงฆ์ก็มีหน้าที่ศึกษาองสอนของพระเจ้าเมื่อศึกษาลูก ทุกนี่ทุกมุมในคำสอนจากการเล่าเรียนตำรับตำาลามีพระไตรปิฎกพระสูตรตัตฑ์ปิฎกพระวินัยปิฎกพระวิธรรมปิฎกทัาบทแปดหมื่นสี่พันเรื่องที่มีอยู่ในกายในใจของคนนี่ที่ยังไม่ตายคนปเป็นๆนี่ เมื่อศึกษาลู่แล้วกันมาปฏิบัติตามความรู้นัานเอามาไว้ที่กายที่ใจหัดกายหัดใจของตนของตนจนได้รับผลลูกแกง้งเรื่องที่เกิดขึ้น ก, กับกายากับใจว่าเหมือนกระตายมาเห็น มือจับได้สัมผัสได้จับมือมาดูจับจับมือมาทำจับตามาดูก็น้ำไปบอกไปสอนคนอื่นคนอื่นสิบเป็นทายาโยมผู้ไม่ไม่ชัดเจนแม่นยำในธรรมที่มันมีอยู่นี่ให้ได้รู้ได้เห็นโดยการเรียนรัด โดยนำมาบอกมาสอนเวลานี้กำลังบอกกำลังสอนอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ต้องไปเสียวเวลาเป็นการเรียนรัดตั้งใจดีๆทํำในใจไปด้วยเมื่อได้ยินแล้วทําในใจไปด้วยก็จะ รูแจกแจ้งได้เช่นเดียวกันเจนพระพุทธเจ้าสนพระสาวกศรพุทธบริษัททำแต่ละหมวดที่พร ะ, ะองค์ศอเป็นสูตรเป็นสูตรนั้นอย่างสูตรที่เราได้สานทยายใหญรรมวิชาธรรมวัญญ์ น, นี้ล้วนแต่เป็นสูตรที่จังจงทั้งนั้น ต้าสารใจดีๆมันก็จะได้ผลขึ้นมาอันนี้คือการฟังธรรมอย่าพากันง่วเหงาห่อนอนต้องใจฟังสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แห่งการตัสรัสรูของพระพุทธเจ้าในสองวันนี้กําลังอยู่ใน โพที่บันหลังยังไม่นไหนีไปไหนสัปดาดีสัปดาก่อนกนลังศึกษาสั ป, ปดาดนี้มีผลแล้วเหมือนพระุต ร, รูปองช้อยมือคิดได้กัลังศึกษากัลังสู้กับมารหรือว่า มารวิชัยปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนต้องต่อสู้ต้องเข้มแข็งพุทธลูบองต่อม า, อาก็กตัดสู้แล้วก็รู้สึกหน้าตาเหมือนกับหมดเรื่องหมดราวไปแล้วพระพุทธลูบด้วยองค์ถ้าพราะสงฆ์นี่ว่าลูบพระสงฆ์ลูบหนึ่งไม่ใช่พระสงองค์หนึ่ง อุปถัรูปองค์หนึ่งอย่นี้เป็นสมมุติภาษาใช่กันเรียกให้ถูกในฐานที่เราเป็นชาวพุทธบางทีไปเรียกพระสงฆ์องค์หนึ่งลอมเน้นองค์หนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ให้เรียกว่ารูปเรเป็นพระสงฆ์ที่เป็นชีวิตอย่างนี้จัดาห์นี่ก็กำลัง อยู่ในแท่นบรนลังโพธิบรนลังกำลังโทษทวนปฏิจจสมุปบาทที่ได้เห็นธรรมทาให้เป็นผู้เที่ยวผู้ใดเห็นธรรมผู้นด้เห็นพระพุดดู้เจ้าผู้ใดเห็นพระเจ้าผู้นั้นเรียกคอว่าเห็นธรรมผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผูดด้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทกํา <c oughs> ลังโทษทวนข้าไปขากลับ ันเป็นมาอย่างไรด้วยส่ใจด้วยลึกซึ้งเหมือนกับคนชำนาญการทำงานสำเร็จมันขั้นตอนมันได้ประสบการณ์อย่างไรและขายอย่างไรสำเร็จได้อย่างไรส่วนั้นการทบทวนปฏิจจสมวัตในอาทิตย์แรกสัปดาห์แรกนียอยู่พอที่วันลัง กติจารสมากระายไปสายกลับอนหนึ่งก็ไปอั น, นึ่งกลับมาให้ไปเลยว่าเช่นอวิชชาที่ไม่รู้ทำให้เกิดสังขารสังขารก็ให้เกิดวิญญาณวิญญาณก่อให้เกิดนามรูปนามรูปก่อให้เกิดอายตนะอายตนะก่อให้เกิดภัจจะภัจจ์กอให้เกิดเวทนา เวทนาคอยเกิดตัญหาตัญหาคอยเกิดอุปทานอุปทานคอยเกิดภพก่อชาติภพชาติคอยเกิดชาติชะลาบณะตายเกิดเจ็บได้เวียนว่าอยู่เช่นนี้สายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนีสายไปไปสู่ความตายหลายกลับควาเพราะสายกลับความมีแก้กัน บ่บมีวิชาสังขารดับสังขารดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนาดับอายตนาดับเวทนาเวจันจำได้ไหมน้องลืมเดียวกันสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับอายตนะดับภัจจาดับ เวทนาดับตัณหาดับบุญทานดับพบชาติจมาหน้ดับหมดเถ้าแก่เก็บตายช้ำนาญช่องฉ่อชม ช, ชำเลิกชำลานแน่นอนแน่นอนแน่นอนนี่แน่นอนที่จุดเนีน่โดนที่จุดเป็นอย่างนี้อย่างนี้จากความแก่ความเจ็บ ค, ความตายมันมาอย่างนี้เมื่อไม่มีความแก่ความเจ็บความตายมาทางนี้ที่หวาทบทวนอยู่เช่นนี้ในสัปดาห์แรก mm. ที่โที่บัรฑลถ้าเรามาปฏิบัติในเรื่องนี้ทำยังไงก็คือรู้นี่รู้เอาเลยเกิมือก็รู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับปลายกับใจรู้อาอใส่กายอาอใสาใจป็นที่ตั้งความรู้เรียนลัดๆแบบนี้อ๋อตรงนี้พวกเราตามๆตรงนี้ วิธีที่รู้อย่างนี้ก็กรรมฐานอย่างนี้รู้ฉันเข้ารู้ย่าฉันออกรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เกิดทางใจก็รู้เกิดตั้งกายก็รู้เยอะแยะเออเกิดขึ้นทางกายทางใจเป็นทุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจก็รู้มาใช่เ้น หลงเป็นหลงไม่ใช่แล้วไปสู่ความเจ็บความเจ็บความตายตทุกเป็นทุกทุขเป็นถูกไปแล้วไปสู่ความเจ็บความเจ็บความตายตถูกก็ชอบถไม่ถูกก็ไม่ชอบไปแล้วไปสู่ความเจ็บความตายสายไปเราเป็นอย่างไรเราเดินทางอยู่ตรงไหนเวลาเราปฏิบัต ar ิได้เห็นอย่างนี้ไหมต้องไปอย่างนี้แน่นอน ถ้าอะไรเกิดขึ้นเกิดรูขึ้นมาเนี่ยสอยกอสอยกอบพอรูจะไม่มีจึงไม่มีอวิชชามัก็เป็นวิชาสเสาะอวิชชาคือไม่รู้ทุกคือทุกสุขคือสุขนั่นแหละอวิชช า, า ก, ก็ทุกคือรู้ทุกคือรู้นี่คือวิชาวิชามีก็สังขารก็ไม่เกิด นี่คือการปฏิบัติที่มันจับได้สัมผัสด้วยทุกคนถ้าทำอย่างนี้ท่านเป็นอย่างไรเวลาปฏิบัติท่านเป็นอย่างไรท่านแก้ไขไหมหรือว่าท่านปล่อยไปเลยผิดแน่าผิดอีกผิดแล้วผิดอีกสุกเน่าสุกอี ก, อกทุกเน้าทุกอีกเอาเรื่องเก่ามาเป็นสุขเอาเรื่องเก่ามาเป็นทุกข์ท่านไม่แก้ท่านไม่เปลี่ยนไม่ไปปฏิบัติ ปฏิบัติต้องเปลี่ยนมาลู้เลียนมาลูได้ทุกเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับปากับใจเปลี่ยนมาลู้ได้ทั้งหมดต้องไปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผิดเป็นอะไรต่างๆพอใจไม่พอใจถ้าพอใจไม่พอใจเหมือนไปแล้วไปแล้วนี่แก้ตรงนี้แก้ตรงนี้โดยวิชากรรมฐานนี่ได้ช่ำชองในปฏิจจสมบาท แน่อนอนที่สุดเราจึงมาเรียนรูตรงนี้กันให้สมบูรณ์มีผู้อ า, จาิจรมีผู้ปฏิบัติอย่างนี้สิที่ท่านหลงผู้อื่นเขาไม่หลงผู้ปฏิบัติอ่ะสิ่งที่านทุกคนอื่นเขาไม่ทุกว่าเขาเห็นเดีย๋ยนี้แลย ว, ว่ากรรมาฐานเป็น ที่ตั้งแห่งการกระทำเมื่อมีกรรมฐานก็มีภาวนาเป็นไปเองขยนันรู้ไปเองต่อวิชากรรมฐานนั่นนั่นเมื่อภาวนามีความขยนันรู้ความรู้ก็เพิ่มขึ้นคราอมหลงก็หมดไปเป็นธรรมดาเมื่อมีความรู้เพิ่มขึ้นมันก็แสงสว่างมาก มือนดวงอาทิก็รูแจ้งโลกความรู้จักตัวมันมีเท่าไหร่มากไหมเป็นบ้าหาลู่ไหมหรือมีน้อยน้อยิดยลีไม่พอใช้ก็ต้องพาวนาต้องขยันตามวิชากรรมฐานนี่มันขยันได้มันประกอบขึ้นมาได้หมาะที่ฉุดสําหรับการประกอบให้เคยความรู้กายของเราใจของเรานี่ อันที่ว่าลูกนาเนี่ยนี่แหละคือปฏิจจสมุปบาททุกขั้นตอนหลักการปฏิบัติดีให้ชำนาญในทางนี้หมดเลยดีว่าเห็นธรรมเห็นอย่างนี้เห็นธรรม็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้เห็นล่องรอยเห็นหัวใจของพพุทธเจ้าเห็นแก่นแท้ไม่ใช่เห็นเนื้อเห็นหนัง บางทีพระวรกลิจับนิ้วมือนิ้วเท้าจับสายชีวอนอุปถาคขปุปถาคจวได้เห็นหนะ้ามีความสุขก็เห็นหนะ้าพระเจ้าตอนนั้นพระเจ้าก็มกบอ ก, อกว่าไม่ใช่มีความสุขก็ได้เห็นหนะ้าแต่ไม่ใช่พระเจ้าด่ามูเขาบูรด รูปนี่นนะนี้มันแก่มันเจ็บมันตายเจ้าตุวจริงเคยทำ ม, มาพระองค์จะได้ตรัสว่าโยธรรมอะไรที่เราสอ ท, ยยที่ย่อยโยธรรมะบัจจิโสบางปัจติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้เห็นว่าพุาาทธเจ้าโยธรรมะบัจจิโธบางปัจจิผู้ใดเห็นพระเจ้าผู้นั้นเห็นธรรม โยธรรมังปะจจติโสปัดิจัสมุปาทังปะจจติผู้ได้เห็นธรรมพู้แห่งที่ปฏิจจสมุปาฏิโยธรรมังปัติจัสมปาฏิโสมังโสธรมังปัจจติผู้ได้เห็นปฏิจจทปาฏิผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมคสอนนี่เป็นคำสอนที่ว่าชัดเจนกับพระวจนะที่หลงกบ ลูกล่างพระพุทธเจ้าที่เป็นพระลูกบม่ใช่ธรรมพุทธเ็นธรรมนู้นละ่ะจังคิดว่าเห็นพุทธเจ้าเราเห็นธรรมตรงนี้เกิดจัตตาเกิดจัตตาไม่ทอโถอยโลกมีววความรู้สึกบุนุษภาพเหมือนล้วนอนในสั ป, ปราห์นี้พทธเจ้ากำลังทบทวนปฏิจาทุประบาร แล้วนอนแล้วไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อยู่ในความลับเหมือนเราเท้าพระบาทของรมระองค์ไเจี๊ยบปุ่นหัวเราอยู่เสมอนอนหลับสบายนี่นอนร่วมเต็มที่อธิติานก็นิมิตาเจดีมองต้นทีบ้าโพ ด้วยพระนเนตอย่างมั่งกระพิบตาในอัปฉริยที่สองดูสิมันจะพวยงใจขนาดหน่อยสั ป, ปดาห์ที่สามฉับพัน ร, รัศมีฉายรัศมัยยืนอยู่ทางด้านทิศตะวันทิศเหนือเฉียงตะวันออกทั้งหน่อย ตราที่สี่ละตธจงกมจงกมอยู่ทางโพธิบัลลังทางด้านทิศเหนือเราไปในพุทธกายาที่ตัดจะลู่ยังเหินทางดลจงกมอยู่ทางด้านทิศเหนือของโพธิบัลลังตราที่ห้าก็ครบทวน รบถวนมองจัดโลกผู้ใดใจเป็นผู้ที่รับทานี่ได้เนอะประเสริฐที่ชุดนี้รอบถวนคิดถึงคนพ่อคนแม่เรื่องมาเป็นทางไปถึงคนพ่อคนแม่จะไปส่ง ติเตงผู้คนทั้งหลายจดดลกทั้งหลายจะช่วยยังไงนี่ก็เกิดวิามายปะมาขึ้นมาเหมือนบวัวสีเหลาสับดาดที่ห้านี่เหลานึงก็เหมือนบวัวอยู่ใต้น้ำอาจจะเป็นเีย่เต่าเหยปลาอาจจะไม่มีโอกาสพ้นน้ำเบ่งบานได้เท่อุคติตนโยบุคคล นีอยู่ในโลกนี้บัวที่สองเหล่าที่สองก็รติตนโยบุคคลอีกสองวันจะพ้นน้ำเอวกอดจะได้เบ่งบานบัวที่สองก็คือพ้อนน้ำแล้วรอแต่แสงอาทิตย์ที่จะมาสองสสง วัวที่ฉีพอวพวนามแล้วดวงอาทิตย์สองใช้มางกรบอลทันทีนี่มีอยู่อย่างนี้ก็มีเร่ยว่าบุาคคลสามเหล่าจึงมีพระไทยเนี่ยได้ที่จะสั่งสอนในธรรมที่พงและตัดสินลู่สัปดาห์ที่สี่สัปดาห์ที่ห้าอ๋อสัปดาหที่ห้าแล้วนะ สัปดาห์ที่หกรอชายุติธรรม่างนานที่ใต้ของสีมหาโผกำลังเป็นในพระทยฮวงหว่าความสงบเป็นความสุขนาโลกนัตติสันติหลังสุขขังสุขเกนยี่หักกวความสงบไม่มี เว้นไม่เบียดเบีย น, นตนและคนอื่นเป็นกชคในโลกบทบาทที่หกแน่นอนเป็นความโชคเห็นผลเห็นในฉงของการบรรลุธรรมและตรัสรู้ในความโชคในโลกแต่ก่อนหรือว่าอะไรมีความุโชคแยอะแบบ น, นี้ที่แท้มาคือความสงบจากโลกจากทุก ข, ข์ทั้งปวงเป็นความโชคในโลก เราไม่บีบเบียนตนและไม่บีบเบียดคนอื่นเป็นความสุขในโลกเราจะเป็นคนช่นดา่าพิจเจ้าบอกอย่างนี้สัปดาห์ที่เจ็ดดราอาชยปะปลายในโคตรสองด้าที่ตะวนตกสองศีมหาโพธิ์มีพ่อข้าสองทีนน้อง ชื่อว่าอะไรจอมใหม่ได้ <c oughs> นี่พ่อข้าองไป ด, ดองน้อมฉินข้ามาจากอุอคุกกบประเทศผลานมาทางนั้นมาเห็นพระเจ้าประทับจูอายละอัชยับอาชับประดิโคตร หนึ่นกระต้นในโคตรอยู่วงอาหารลงฐานต้นหนึ่งก็อยู่หน้าวัดทางด้านตะวันออกดู น, นี้รับาราที่ 7, เพระองค์บ่าทับมั่งอยู่ตาพุษษทธะพันลิกะสองพี่น้องพอข้านมจชิข้ามาจากประเทศฟารนมามวจอด ก็เกียนเป็นหลายเล่มเกียนหมู่ใหญ่เกียนห้าลอยสมัยก่อนยังมีทุกวันนี้ก็ยังมีในประเทศอินเดียหมูกเกียนห้าล้อยไม่มีบ้านไม่ีช่องไปจุนค่าจะถายแต่ผู้จับปนิกาเห็นเกิดจัทธาเรื่องมาย ถวายข้าวศัตรูค้อนข้าวศัตรูผงนำมาค้าขายนั่นมาถวายพระพุทธเจ้าแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธพระธมพระสงพระพุทธเจ้าพระทองมเป็นคนแรกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมตลอดชีวิตนี่คือคนแรก นอกจากนั้นพระองค์ก็ไปวูเลยปางลีลาเดินไปวูจอกแบบพรที่วันลหลังไปายยังพราณาสิรูปพระพุทธรูปองค์งแบบปางปางลีลานี่เลยก็เดินติวเลยเหรอโอ้มันโบมัน มั่นใจจะไปสอนปัญจวัคคีอยู่พาราณสีนูน่นอิชิปตระนนที่อยู่ของที่ปลอดปล่อยจัดที่นั่นมีฤาีทีไฟออกจากบ้านจากเดือนมกากก็บไปบำเพ็ญพุทธอยู่ที่นั่นปัญจวัคคีก็ไปอยู่ที่นั่นละ ไปอูไปเลยประมาณส0มกว่ามออาจจะเดินทางอยู่สักอาทิตย์หนึ่งไม่เกินนานวันละห0สิบห้าหกสิกว่ามอละถึงส0มกว่ามอลเองอะไรจะเดงนทางจะดงธรามกว่าทรรมาจัร กับปปัตตสูตรเป็นธรรมเทศนากันแรกที่เราได้สาธยาได้สวดอยู่นี่คือของจริงเป็นเช่นดังมีอยู่จริงพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจริงในโลกพ่อมาทำคำสอนนามาสอนไม่หนีเป็นไหนคำสศน จังเป็นมรรคเป็นผลอยู่ทุกผล น, นี้เมื่อเราปฏิบัตินำมาปฏิบัติให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อมได้รับผลตามทุกผลเฉยผู้ปฏิบัติเป็นปัจจัตตังของผู้ปฏิบัติพกเราจังชวนทั้งท่านทั้งหลายจตถานที่สองเข้าคายเข้าเข้มเข้มริทิปบอน เอามันก็หมดแช่ีหมดปัญญาเช่นี้ที่ทำให้คนเข้าถึงธรรมะทำทุกอย่างมาแล้วอ๋อชาชีวิตกรรมฐานนี่อ๋อใจเรื่องกรรมฐานพระมันรัดสัน้นเวลาเรามีสติเนี่ยเอามันก็ละความชัวม่วจนความเพียรนัะนะ่นและมันก็ทำความดีเมื่ลอละเมื่อจะละกุศลนี่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีก ถามีสตินะเพื่อสร้างกุศลกันแล้วให้เจริญขึ้นมากขึ้นเพื่อให้เจริญมากขึ้นตังนต้งอยู่ความตั้งอยู่ความมโหงงามความไปบุญความเจ่มลอบยิ่งขึ้นนะกุศลและธรรมทั้งหลายสิ่ง น, นี้มีสิ่ง น, นี้ก็มีเป็นนี่จะดีไปเลยนะเป็นหมูไปเลย ว่าก็สนก็เกิดขแล้วร น, นั้นกเกิดขึ้นคิดีพูด ด, ด, ดีทำดีการความดีที่เกิดขึ้ น, นกับกายกับใจก็เป็นอะไราไมากมายประโยชน์เกี่ยวแผ่นดินแผ่นผ้าอากาศผู้คนเรียกว่าประโยชน์หล่นเาะพิษกับเวรโลกกรมปายะเฮ้ยคือประโยชน์เกื้อกูลแจ่คนหมูมากแก่ลูกนี่คือประโยชน์ ทั้งหลายทั้งหลายเกิดบัตรเกิดบานในประเทศไทยเกิดนักปวดกันาสนาดสันดามีวัฒนธรรมไม่เพียงอนุณนามได้ปฏิบัติได้ผลทำทุกคนจะผู้ปฏิบัติจะชื่ในใจมากได้ครบรอบอีกโลกหนึ่งในสองวันห้าโล หกสิบปีหัวกหห้าปีห้ารอห้าิบหกปีสองพันหกร้อยกว่าปีเราเกิดมาุดถ้ายเปหลังแล้วก็ยังโอ้ยผูมอิจฉยี่บ้านผู้หลุดผู้แคดีบุคคลที่สืบต่อกันมา ได้เห็นลวงคันลอจะมาเห็นหลวงปู่เทียนฉันหลวงปู่เทียนก็มรณาไปแล้วแต่สิ่งที่หลวงปู่เทียนสอนก็ยังอยู่กับพวกเราโอเคไหมสอนให้เรารู้จักธรรมะรู้จักพระพุทธเจ้าเหมือนก่อนนไม่ไม่หมดกันไม่หมดเวลาเอาเธอะพวกเราตอนต่อที่ทนี้ก็อย่าไปหลง เอาเลยเกิดขึ้นก็อย่าไปหลงมันมีเหตุให้หลงเยอะแยะปิติความชุบความหยิมจมอยมีนี่มิตมีปิติมีสีมีแสงมีรสมีชาติเยอะแยะอย่าไปหลงบางทีมีแสงไฟอยู่กับมือมีไฟฟ้าอยู่กับมือก็อย่าไปหลงให้รู้จักตัวเห็นรู้เกิดขึ้นมากิดรู้ เกิดไรเกิมาก็รู้รัดสั้นๆให้ถึงความรู้อย่างนี้บรรทางยาวๆจะรัดสั้นเข้ามาถ้าอะไร เ, เกิดขึ้นก็เป็นไปตาบมันจะเนินชาติรัดๆอย่างนี้ปฏิบัตทิทรรมย่อทางกาให้เป็นทางสั้นๆอย่างนี้เหมือนโลกนี่เหมือนอยู่ในจอนด้ด้วยย่อโลกก็เหมือนคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติเหมือนยอเหมือนกันนะั่นแหละย่อทางไกลเป็นทางสั้นก็เดินทางสั้นก็ถึงได้ง่ายทางพระนาคามีนี่หลงรอบเดียวไม่หลงอีกแล้วทุกรอบเดียวไม่ทุกอีกแล้วโกรธรอบเดียวไม่โกรธอีกแล้ววระโสดาบันเียร์เกงหลายโลกพระนาคาพัชชิคาเมยังหลายโลบอีกแต่พระลิหันไม่มีรอบเลยหมด เชื่อมาอยู่ในหัวใจเรานี่คนเป็นๆ น, นี่นี่ก็คือคำพูดจากพระสงฆ์คือโดยศึกษาว่าเยินหยัดมีอยู่จริงพระธรรมคำสอนบางขนนิพพานมีจริงในคนเป็นๆ น, นี่อย่าให้ตายจะ ต, ตายไปแล้ว อ, อกชันน้าเนี่ยโอยไม่รู้ ไม่รู้ยทําไมเปลียนทำแบบนั้นแล้วคนี้ก็ยังไม่เห็นเลยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ได้เปลี่ยนได้เป็นดีเดี๋ยวนี้มาเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนหมดละ่ะมันจะมีไหมายขวัญใจมันไม่มีอะได้ชื่อใจอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาจะกลาจะได้เปลี่ยนมันหมดเชื่อไปเลยลอ้าวเปลี่ยนหมดละเปลี่ยน ้ำค <laughs> ว้านใจเวลากาบผ้าพอมกัน